พัคินิสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่สาวน้องสาวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เครกระรวงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวโดยกาลนานนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายละถึงควรเพื่อหลุดพน้น พระคินิสูตรที่7จบ 8. ปบุตรสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นบุตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณทีนท่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้และถึงสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบุตรโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายและถึงควรเพื่อหลุดพ้นปุตตสูตรที่8ดจบ ที่ตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นทิดาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากี่ขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไป สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นทิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายข้อนั้นเพราะเหตุใ่เพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากี่ขวางถูกตัญหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเธอทั้งหลายได้สวยความทุกข์สวยความลาบากได้รับความพินาศ เต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหนายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงที่ตุสูตรที่เก้าจบสิบ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 สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชาขีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วผู้เขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าปาจีนะวังสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผาติวรา มนุษย์เผ่าติวรามีอายุประมาณสี่หมื่นปีมนุษย์เผ่าติวราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลาสี่วันลงก็ใช้เวลาสี่วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะ มีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าวิธูระและสันชีวะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษ์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าวงกฏสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสะมนุษย์เผ่าโรหิตัสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีมนุษย์เผ่าโรหิตัสะขึ้นภูเขาวงกฏใช้เวลาสามวันลงก็ใช้เวลาสามวัน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าพินโยสะและอุตระเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้และถึงควรเพื่อหลุดพ้นเรื่องเคยมีมาแล้วผู้เขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผาสุ ป, ปิยามนุษย์เผาสุ ป, ปิยามีอายุประมาณสองปี มนุษย์เผ่าสุปิยาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลาสองวันลงก็ใช้เวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติสสะและภารทวาชะ เธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้และถึงควรเพื่อหลุดพ้นแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าเวปุละเหมือนเดิม ก็บัดนี้มูมนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามาคทะมนุษย์เผ่ามาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามาคทะขึ้นภูเขาเวปุญละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและบัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เรามีสาวว่าคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคลานะสมัยนั้นภูเขานี้แหละจกหายไปมนุษเหล่านี้ก็จากตายและเราก็จะปรินิพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณพาสินีแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผาติวราภูเขาวงกฎของหมู่มนุษย์เผาโรหิตัสสะภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์เผาสุปียา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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ทุกตะสูตร 2. สุขิตะสูตร 3. ติงสมัตตะสูตร 4. มาตุสูตร 5. ปิตุสูตร 6. กพาตุสูตร 7. ภพคินิสูตร 8. ปุตตสูตร 9. ทีตุสูตร1ิบ เวบุลละปาพตะสูตรอนามตะคะสังยุตจบบริบูรณ์ 5. กสปะสังยุตธนสันตุทสูตรว่าด้วยความสันโดษ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายกาสปะนี้เป็นผู้สันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวาย และได้จีวรแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่กระสปะนี้เป็นผู้สันโดด้วยบินธบาตตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยบินธบาตตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการสแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งบินธบาตไม่ได้บินธบาตก็ไม่กระวนกระวาย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 และได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่กาสะปะนี้เป็นผู้สันโดดด้วยคีลานปัจจัยเพศสัต์บริขารตามมีตามได้และกล่าวสันเสริญความสันโดดด้วยคีลานปัจัยเพศสัตยบริขารตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควร เพราะเหตุแห่งขีลานปัจจัยเพสัชบริขารไม่ได้คีลานปัจจัยเพสัตบริขารก็ไม่กระวนกระวายและได้ขีลานปั จ, จัยเพสัชบริขารแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้สันโดดด้วยจีวอนตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยจีวอนตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการสแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวอนไม่ได้จีวอนก็ไม่กระวนกระวายและได้จีวอนแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่ผัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่พึงทำอย่างนี้ทุกบท เราทั้งหลายจะเป็นผู้สันโดษด้วยบินธบาตามมีตามได้ละถึงจะเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และถึงจะเป็นผู้สันโดษด้วยคีลานปัจัจเพสะปริขารตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยคีลานปัจัจเพสะปริขารตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควร เพราะเหตุแห่งคีลานปัจจัยเพสัชบริขารไม่ได้คีลานปัจัยเพสัชบริขารก็ไม่กระวนกระวายและได้คีลานปัจจัยเภสัตบริขารแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากบริโภคภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายตามกัสปะหรือผู้ใดพึงเป็นผู้เช่นกัสปะ เราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นเช่นนั้นสันตุทสูตรที่ 1. จบ 2. องอนโนตัปีสูตร ว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัสปะและท่านพระสารีบุตรอยู่ในป่าอิสิปตนมรุกขายวันเขตครูงพรารานสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากะสปะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านกัสปะผมกล่าวว่าภิกษุผู้ไม่มีความเพียนเครื่องเผากิเลธไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนภิกษุผู้มีความเพียนเครื่องเผากีเลธ มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ย ม, Flowers, ม, ท, มท่านพระมหากัสปะถามว่าท่านผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียนเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยม ด้วยเหตุเท่าไรและภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมด้วยเหตุเท่าไรท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแก่เราพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรายังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแกเราพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเล็ดโดยคิดว่า กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียนเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศ ไม่จะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่จะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่จะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศ ภิกษุชื่อว่าไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพียงเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้แหล สูชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างไรเคอพิสุในพระธรรมวินัยนี้ทําความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศทําความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่ อ, อยังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศ ทำความเพียรเครื่องเผากิเลดโดยคิดว่ากุศลธรรมที thought, time, so we come, ่ย e ังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศทำความเพียรเครื่องเผากิเลดโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลดเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่ามีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุโสณธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุโสณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุโสณธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เรา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 ควรเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้แหละอนโนตปีสูตรที่สองจบ 3. จันทูปมาสูตรว่าด้วย การเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นเหมือนดวงจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายเิดเปรียบเหมือนบุรุษพึงพรากกายพรากจิตแลดูบ่อน้าซึ่งคร่าค่า ภูเขาที่ขรุขระหรือแม่น้ำที่ขาดเป็นห่วงห่วงอุปมาณิฉันใดอุปไมหม้ก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายก็จงเป็นเหมือนดวงจันทร์จงพรากกายพรา ก, กจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายกสปะเปรียบเหมือนดวงจันทร์พรากกายพรา ก, กจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลาย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 ที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพาสิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงโบกฝ่าพระหัตถ์ในอากาศตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ามือนี้ไม่ค้องไม่ยึดไม่ติดในอากาศชันใดจิตของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เข้าไปสู่ตระกูลไม่ค้องไม่ยึด ไม่ติดในตรูลทั้งหลายโดยคิดว่าผู้ปรารถนาลากจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทําบุญฉันนั้นภิกษุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบอันเป็นของตนฉันใดก็จงเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้นภิกษุเช่นนี้จึงสมควรเข้าไปสู่ตรูลจิตของกัสปะผู้เข้าไปสู่ตรูลไม่ค้องไม่ยึด ไม่ติดในตระกูลทั้งหลายโดยคิดว่าผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทาบุญกาสปะเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบอันเป็นของตนฉันใดภิกสุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรธรรมเทศนาของภิกสุเช่นไรไม่บริสุทธิ์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 ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าฉันไหนหนอชนทั้งหลายพงฟังธรรมของเรา ครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสายธรรมและผู้ที่เลื่อมใสแล้วพึงทําอาการของผู้ที่เลื่อมใสต่อเราจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนฉะไหนหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงรู้ทั่วถึงธรรมและครั้นรู้ทั่วถึงแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเธออาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น อาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอนดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยประการนี้ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์กาสปะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง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 พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจันทูปมาสูตรที่สจบ 4. กุลูปะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตรกูล พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเช่นไรสมควรเข้าไปสู่ตระกูลภิกษุเช่นไรไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูลคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นอย่าได้ไม่ให้เลยจงให้เรามากๆอย่าให้น้อยจงให้ของปรานีแก่เราเท่านั้นอย่าให้ของเศร้าหมองจงรีบให้เราอย่าให้ช้าจงให้เราโดยเคารพอย่าให้โดยไม่เคารพจึงเข้าไปสู่ตระกูลเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้เข้าไปสู่ตระกูล ชนทั้งหลายไม่ให้ภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาหเหตุนั้นเธอเสวยทุกโทมนตสเพราะสาหเหตุนั้นชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากละถึงให้ของเศ้ามองไม่ให้ของปราณีตให้ช้าไม่ให้เร็วภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาหเหตุนั้นเธอสวยทุกโทมนตสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพ ภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอเสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นภิกษุเช่นนี้ไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูลส่วนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเราพึงได้ปัจจัยสีในตระกูลอื่นๆแต่ที่ไหนขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นอย่าได้ไม่ให้เลยจงให้เรามากๆอย่าให้น้อยจงให้ของปราณีกแกเราเท่านั้น อย่าให้ของเจ้ามองจงรีบให้เราอย่าให้ช้าจงให้เราโดยเคารพอย่าให้โดยไม่เคารพจึงเข้าไปสู่ตระกูลถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้เข้าไปสู่ตระกูลชนทั้งหลายไม่ให้ภิกษุไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่สเสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากภิกษุจึงไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้น เธอไม่เสวยทุกโทมนต์เพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้ของเศร้าหมองไม่ให้ของปราณีตให้ช้าไม่ให้เร็วภิกสุไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนต์เพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพภิษุไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนต์เพราะสาเหตุนั้ น, น ภิกษุเช่นนี้สมควรเข้าไปสู่ตระกูลกาสปะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราพึงได้ปัจจัยสี่ในตระกูลอื่นๆแต่ที่ไหนขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นอย่าได้ไม่ให้เลยจงให้เรามากๆอย่าให้น้อยและถึงจึงเข้าไปสู่ตระกูลชนทั้งหลายไม่ให้กัสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้น ชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากกระสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัดเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้ของเศร้ามองไม่ให้ของปราณีกระสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัดชนทั้งหลายให้ช้าไม่ให้เร็วกรสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัดเพราะสาเหตุนั้น ชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพกรสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่สวยทุกโทมนัทเพราะสาเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายให้ประพฤติตามกสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกาสปะเราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น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 ครั้งนั้นท่านพระมาหากัสสปะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมาหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะบัดนี้เธอแก่แล้วผ้าป่านบางสกุลเหล่านี้ของเธอหนักไม่น่านุ่งหม่มเพราะฉะนั้นเธอจงใช้สอยข่าบดีจีวรจงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต์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 ตลอดกาลนานเธอพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสันเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดกาลนานข้อความที่ละไว้เป็นอย่างเดียวกันเป็นผู้เที่ยวบินทบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุคุนเป็นวัดเป็นผู้ทรงตรายจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่ ไม่คลุกคลีด้วยหมูเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงายจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษ เป็นผู้สังัดจากหมูไม่คลุกคลีด้วยหมูเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรตลอดกาลนานเคยพิจารณาเห็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนและอนุเคราะห์หมูชนในภายหลังว่าทำอย่างไรมูชนในภายหลังพึงถึงการประพฤติตามแบบอย่างว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกที่ได้มีมาแล้ว ท่านเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดกาลนานละถึงเป็นผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดเป็นผู้นุ dates, ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่ไม่ะคลุกคลีด้วยหมู่เป็นผ <femme> ู evet. ้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรอย่างนี้ ท่านเหล่านั้นจกปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นอํานาจประโยชน์สประการนี้จึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาติเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัด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 เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอจงนุ่งห่มผ้าปานบางสกุลที่ใช้แล้วจงเที่ยวบินทบาตและจงอยู่ป่าเถิดชินนสูตรที่หจบ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 และภิกษุชื่ออภิชิกะสัตธิวิหาริก ข, ของพระอนุรุทธะในพระธรรมวิไนนี้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันและใครจะกล่าวได้นานกว่ากันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงเรียกภิกษุพันทะสัตธิวิหาริกของอานอนท์และภิกษุอาภิชิกะสัตธิวิหาริกของอนุรุทธะมาตามคำของเราว่าพระศาสดารับสั่งให้ท่านทั้งสองเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าพระศาสดารับสั่งให้ท่านทั้งสองเข้าเฝ้า ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุดตะว่ามาเอเธอภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากัน ใครจะกล่าวได้นานกว่ากันจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้หรือเธอทั้งหลายจึงกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินว่า ถ้าเธอทั้งหลายไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แนโมคาบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายรู้เห็นอะไรบวชอยู่ในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ยังกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะไปทาไมเล่า ว, ว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันลาดับนั้น ภิกษุทั้งสองรูปได้น้อมศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดีแล้วอย่างนี้ได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะเพราะความโง่เคลาเบาปัญญาว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากัน ใครจะกล่าวได้นานกว่ากันขอพระผู้มีพระภาคจงทรงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อสำรวมต่อไปด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายเอาเถิดการที่เธอทั้งหลายบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตะเพราะความโง่เขลาเบาปรญญาว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากัน ใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันเพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นเรายอมรับเธอทั้งหลายได้เพราะการที่บุคคลเห็นความเห็นผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสารวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะโอวาทสูตรที่หกจบ